เรื่องุ้นแห่งกจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลัตายจะได้ไปสู่สวรรค์อัลบฟังเคสตีกเลยวันนี้เป็นแคสิ้นหนึ่ง 1, 0, 2, 4, หรือพัน เบิร์ตอยากแต่งงานเจ้าที่ลำบึงแต่เบิร์ตเป็นคนอ่าเจ้าที่อยากแต่งงานจะลองเอาเอาชื่อนี้ใช่ไหมใช่สามน้อยโกรผีไม่เอาใช่ไมจ๊ะไม่เอาไม่เอานะเจ้าที่อยากแต่งงานผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิชา ตั้งแต่ยุคต้องเดินทางมาเรียนที่ห้องจนถึงยุคไฮเทคเรียนผ่านดาวเทียนดีมีผมชอบช่วงเฮสตัีมาที่สุดเลยครับผมติดตามเคสของคนอื่นๆมา ม, มากจนผมก็อยากจะฟังเรื่องของตัวเองบ้างครับคราบรบกวนครูไม่ใหญ่ฟันในฟั น, ฟนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมด้วยนะครับคุณพ่อของผมตอนเป็นเด็ก ก็มีตมเกิดขึ้นตีดเท้าจนเป็นแผลลุกลามทำให้เสน้นเอ็นยุดติดเวลาเดินเท้านี่จะเขยเย็งขาข้างขวาจึงพิการไปเป็นพ่อมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็เป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อพืชอะไรนะ่ะไปขายในเมืองส่วนคุณแม่รับราชการครูคุณแม่นะ่ะ ไม่ได้รักคุณพ่อเลยเนี่ยแต่ที่แต่งงานกันกันกบพราผู้ใหญ่จัดให้แต่ถึงอย่างไรก็มีลูกเดียวกันถึงแปดคนนี่ถ้ารักกันนี่ต้องคูณสองนอเนอะผมก็เป็นคนที่ฮ <c oughs> คุณพ่อผมเป็นคนกว้างขวางใจใหญ่มีลูกน้องมาก <c oughs> ชอบเล่นกามั น, นันกลาดากคลาสี ถ้าในสร้างฐานะจะร่ำรวยอยู่ในระดับเศรษฐีของหมู่บ้านต่อมาก็เกิดคดีความถึงขั้นขึ้นรงขึ้นศาลฐานะจึงตกตามลงเรื่อยๆจนในที่สุดคุณแม่ท้งลาออกจากรายการเป็นครูเพื่อํำเงินจากการลาออกออกมาช่วยในการต่อสู้คดี <c oughs> ผลสุดท้ายคุณพ่อก็ <c oughs> เป็นฝ่าย <c oughs> ชนะแบบไม่เหลืออะไรเลย ชนะแต่ก็ไม่เหลืออะไรเลยพอทรย์ตรงไปใช้ในะเรื่องการสู้ก็ดีกัน<ม>ช่วงที่กาลังมีคดีนั่นก็เป็นยังหวะที่ผมเกิดพอดี<ม>อข้าดีและดีค่ะอันไหนดีกว่ากันดีค่ะดีค่ ะ, ด, คะ ด, ดีกว่าค่าดีดีกว่าค่าดีนี่พราเกิดมาพอดีา <c oughs> จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ให้คุณพ่ออยากมีลูกเป็นนักกฎหมาย ตั้งแต่เจอเคดีดําตระกูลอย่าง oh. แล้วคุณพ่อก็ไม่ผิดหวัง mm. ไม่ผิดหวังเลยครับเพราะผมเอ็นติดนิติศาสตร์ oh. ที่มอธรรมศาสตร์พ mm. มได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มมวลชน mm. ในมหาลัยโ mm. ดยถูกปลูกฝังว่า mm. สาเหตุจะสังคมมีคนจนเราถูการดาดเปรียบจากคนรวย และจนชั้นปกครองโห อ, อยู่กันอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันเลยนี่รำไม่ดีกันเนาะยางทดซักโซโฟนนี่ร <laughs> <laughs> ำไม่ดีหมูไม่อ้วน <laughs> <laughs> แล้วก็สอนนี้ว่าศา ส, สนาสอนให้คนงมงายเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ชนชั้นสักดินาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนจนนะอืม นี่กำลังกล่าวหาเคสทาีเอาตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยนั่นกำลังพูดถึงเรื่องในอดีตสมัยที่แต่ก่อนนั้นอนะ่ะคนเรามันยังโง่อตอนนี้น ฉลาดแลวอ๋อยังงงกว่าแต่ก่อนแล้วใช่เดี๋ยวนี้ฉลาดไอ้คำสอนนี้เพราะว่าแต่ก่อนคนเรายังงงแหไม่อย่เงั้นซึ่งผมก็เชื่อรับปฏิเสธศาสนาครับแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเนาะนั่นเป็นอดีตที่ดีไปแล้วกระทั่งเรียนจบได้เข้าทำงานธนาคารในปี2529 เอาคำสอนนี้กับไปธนาคารดูหรือเปล่าเพราะเห็นตัวเลขเข้าเห็นสเตตเมนต์เนี่ยาทีมีคนรวยคนจนเพราะมีธนาคารหรือเปล่านี่จนนั้นผมได้ศูนย์เสียคุณแม่ไปอย่างกับทันนั้นคือจู่ๆคุณแม่ก็มีอาการไข้ดูก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่หมอกลับบอกว่าทันอาการหนัก ให้นอนโรงพยาบาลเพราะตกกลางคืนทั่นเสียชีวิตด้วยวั62ปี<ม>อุ๊ค<ม>รูพยาฟังแล้วอยอง200ปีหมอก็รงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะพระเรามะมะเรงในเม็ดเลือด<ม>ก่อนคุณแม่เสียชีวิต2ปีคุณพ่อก็ป่วย<ม>ถูกผ่ากะโหลกศีรษะผ่าทำไม <c oughs> หามะเรง <c oughs> ในเยื่อสมองออทำให้เป็นอว า, าพาอยู่สามปีแล้วก็เสียชีวิตพ<อ>ระรา้งหมดก็ตกเป็นของผมแล้วสิครับเพราะผมคนเดียวนะครับครัวที่เรียนสูงมีได้ที่การงานดีเป็นที่พึ่งกับครอ บ, บ, บครัวได้เมื่อผมอยู่ในฐานะตรงนี้ผมก็ทั้งเครียดทั้งกลุ้มปัญหากับมรรมเราหาทางออกไม่เจอจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย ผมได้ฟังเพลงนี้ทำให้ผมมีกำลังใจได้ยินเพลงนี้ว่ามีแค่อีกวันเดียวจะถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันสว่างของผมเพลงนี้ทำให้ผมมีความหวังว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสว่างความมืดไม่เคยเกิน12บสองชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วมันก็จะสว่างก็แค่อีกนิดเดียวเนี่ยเมื่อความรู้สึกไปผูกความหวังในวันลุงขึ้นเนี่ยก็มีความรู้สึกเลิศ มากเลยเป็นเรื่องเลิฟซอรี่เรื่องรักวันพรุ่งนี้มากเลยอท <c oughs> ูมัโล่นี่จะอยู่คอยอย่างนั้นเพื่อความหวัง <c oughs> เพราะฉะนั้นพอคิดอย่างนี้ความเครียดก็หายไปต่อมาวิกฤิมิตรท่านหนึ่งชักชวนให้ผมมาทำบุญกับวัดพระรม ก, กายและชวนให้มาวัดผมก็มาแบบเกรงใจขัดไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่ได้ขัด ใจตั้งขัดถึงจะใสนี่ยังขัดไม่ได้เนะได้ภาคบายผมเจอหลวงพ่อองหนึง่งรูปร่างสง่า ง, งามผิวพรรณป่องใสแก้มแดงทุ่มทุ่ ม, ม, มคือหลวงพ่อทตาจีโวรลงเทศมีตอนหนึ่งซึ่งหลวงพ่อพูดและผมประทับใจมาก เพราะแต่เดิมในผมเม่ค่อยจะเข้าใจในยุคนั้นที่ถูกสอนกันเอาไว้บาปิรา ม, มานดาไม่มีคุณแค่สนุกสนานจัดฟอรฟันแล้วก็มีออกมาเพราะฉนั้นเราไม่ต้องเปนึกถึงบุญคุณแต่ว่าวันนั้นหลวงพ่อทัตะชิวท่านพูดว่าพ่อแม่บางคนต้องตกนรกเพราะลูกคือยอมตกนรกเพราะลูกก็ลู้ว่าจะทําทสิ่งนี้แล้วจะตกนรกนี่ แม่น้ําหอมนี่ไง mm hmm. คุณทวารเคยเล่าให้ครูพี่ใหญ่ฟังครับ <Okay. S 1> แม่น้ําหอมเนี่ยจับปลามาได้แล้วก็เรียกทวาร น, นะไอ้ทวารเอ้ยปลานเนี่ยมันยังเป็นอยู่แม่ก็ไปจับมาจะมาทําให้เป็นอาหารให้เองเนี่ยในฐานะที่เองเป็นลูกที่เองกินได้แม่ดีใจ เองกินไม่ได้แม่ไม่สบายใจ <c oughs> <c oughs> แม่จะเป็นต้องฆ่ามันแต่ฆ่ามันเนี่ยมันก็เป็นบาปแม่ก็รู้นะ <c oughs> เป็นกรรมปาณาธิบาติและแม่ก็จะต้องไปตกนรก <c oughs> เพราะกรรมปาณาธิบาตนี้แต่เพื่อเองแม่ทำได้แม่ก็ต้องจำเป็นต้องทำ <c oughs> โอ้นีมายืนยันเลย ที่หลวงพ่อจท่านพูดว่าพ่อแม่บางคนยอมตกนรกแล้วลูกเพราต้องฆ่าสัตว์มาทำอาหารให้ลูกกินคําพูดนี้ก็สะกิดใจทําให้ผมนึกย้อนเห็นภาพเก่าๆที่แม่เคยฆ่าเป็ดฆ่าไก่ปูปลามาทำอาหารให้ลูกกินผมจึงคิดว่าถ้านรกมีจริงแม่คงตกนรกแล้วอะไรใครจะช่วยท่านล่ะ ผมยังอยากจะรู้ธรรมะมากขึ้นนี่มจะนี่ความกตัญญูเครื่องหมายแห่งคนดีก็เกิดขึ้นในใจเลยอยากจะช่วยแม่เพราะยังไงแม่มไปแน่รพราะข้าเปฆ่าไกายปูป ร, ะประาะตามหาเลี้ยงลูกอย่างนี้แล้วไปกวาซื้อหนังสือของลุงพ่อจจตจีวโวลุงพ่อตอบปัญหามาอ่านอ่านอ่านแล้วก็ฟังเทพมงคลยีวิศร18ประการ 4-5 รอบ มันน่าจะสอบผ่านนะความคิดมิจฉาทิฏฐิก็ถูกลบล้างไปหมดสิสอบผ่านในระดับที่ความคิดมิจฉาทิฏฐิถูกล้างไปเลยแล้วจะนันกตั้งใจมาวัดเลิกหมดเลยทั้งเล่าและบุรีเลิกหมดลงผลิตสุราขายสุรานี่เขาสร้างขึ้นมาทำไมเนาะไม่หมีผลอะไรเลย สร้างขึ้นมาหลัจากหวังรวยจากเงินที่ได้มาจากความหายนะของเพื่อนมนุษย์นี่แต่ไม่มีเหตุผลนัใดเลยเนีย่กฎหมายไม่น่าจะรองรับนบแต่ว่ากฎแห่งการรับรองว่าปอบายแน่พระปีสองห้าสามสเจ็ดการจอดจัดอบอรมธรมธรมธายัตอรุมิเศพิเศษฉลองห้าสิปีหลวงพ่อธรรมชัยโย ตอนนั้นยังนม ก, นกว่านี้ผมอยากบวชมากเพื่อบุชาธรรมหลวงพ่อจึงลางานมาเพื่อบวชแต่พอครบ ก, กำหนดลาศิกขาสิาผมกลับอยากบวชต่อนะ ร, รู้สึกเลิรราาศภาสาภัตมากเลยจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของธนาคารทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย แดงดวงบุญตอนนั้นโตมากเลยแล้วพ่อครับผมบวชได้เพียงสิบเดือนก็ต้องลาสิกข า, เ พ, าเพราะเพราะช่วงก่อนบวชผมเนี่ยใจดี ร, รักเพื่อนอได้ไปเซ็นคำประ ก, กันเงินกู้ยืมให้กับเพื่อนอนี่แล้วเพื่อนก็นักหนีไปเนี่ยทำให้ผมถูกฟ้องก็แปลว่าผมจนลงเนี่ย เพราะคนรวยแล้วจนชั้นปกครองอเอาเปรียบหรือเปล่าเนี่ยไม่เกียเยเก่ยวเลยแต่ว่าเพราะเพื่อนผมมันหนีทาให้ผมจนลงอันนี้ไงนี่ <c oughs> อแต่เดิมตอนอยู่ในมหาลัย <c oughs> ถูกคําสอนเลยที่มีคนจนเพราะคนรวยเอารัดอเอาเปรียบ <c oughs> รวมทั้งชนชั้นปกครองแต่นี่ไม่มีใครอเอาเปรียบน <c oughs> เพื่อนมันก็จน แล้วก็ให้เราไปค้ำประกันแต่เราใจอ่อนอเราจึงมาอ่อนใจ <c ười> ตอนที่เพื่อนหนีไป <c ười> แล้วเราก็จนแทนแปลว่ามีเพีใครเอาเปรียบเราอะ <c ười> ผมถูกฟ้องผมจึงต้องศึกเอาไปเคลียร์หนี้เนี่ย <c ười> ผมก็เข้าทำงานใหม่ที่บริษัทเงินทุนแล้วจะพกกับพระยาะ <c ười> นึกว่าไปเคลียร์หนี้ตกลงหนี้อะไรกันแน่นี่ ยังงงงนึกว่าไปเคลียร์เสร็จแล้วก็จะกลับมาบวชเนี่ยเฝ้าคอยอยู่ตั้งสิบกว่าปีแล้วเนี่ยผมกลับเข้าทำงานทำงานใหม่ที่บริษัทกันตัวแล้วก็เดพกับภรรยา <c oughs> ก็เทพธิดาเขาก็อยู่เฉยๆเน่ยแล้วไปคุยกันท่าไหนเนี่ยสำคัญตรงนี้เนี่ยแต่เด็กเขาก็อยู่เขาเฉยๆยซึ่งเราทำงานอยู่ที่เดียวกัน อโอ้คนทำงานอยู่ที่เดียวกันเยอะไม่มีเหตุผลอันควรก็ต้องเงินเยอะๆคนที่ทำงานด้วยกันนะ่ทัดมาหนึ่งปีเราทั้งสองก็เจอวิกฤต IMF ถูกออกจากงานทั้งสองคนวันหนึ่งขณะตกงานผมกับภรรยาจึงชวนเงินไปเดินเล่น เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศเดินเกี่ยวก้อยก็คุยกันไหม <Okay. S 1> ต่ต่ก็ให้กำลังใจซึ่งอะไรกั น, แ ล, กนแล้วก็เดินไปที่ศูนย์ไอทีท่ปละตูนะครับภรรยาผมเทพธิดาเนี่ยเธอสะดุดตาเข้ากับซากซากอสุภะของซากตลับมึกเก่า อ่อมก็เหมือนกับอาสุภารแล้วก็สร้างสรากตลับหมึกเก่าๆที่ทิ้งแล้วเขาก็ปิ้งไอเดียกันมาเห็นแนวทาง ธ, ธุรกิจว่าที่เราสามารถมารีไซเคิลแล้วขายได้นะเอามาใส่ไ้า์สะอาดใส่สีใหม่ก็ขาย mm hmm. เขาจึงเชิญผมทำธุรกิจนี้ mm hmm. ผมก็โอเคแล้วแล้วกิจการของเราก็ดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งสามารถตั้งบริษัทขังตัวเองได้ในปีส5งสอง นี่ไม่ธรรมดาหรอกเห็น ไ, ไหมจช่จนี่มบุญทรงผลพอมาปี 2.5.4.5 สห้าเราก็สามารถทำบุญเป็นประธานรองกระถิ่นเป็นประธานรองกระถินใหญ่สร้างมหาวิหารหลวงปู่ได้หนึ่งเอ็มแรกของชีวิตสุดยอดจริงๆเลยแปลว่าช่วงนั้นที่เราตกอับเพราะเราขาดบุญเพราะนั้นเมื่อเราประสบความสุเร็จมาในชีวิตแล้วเราก็ต้องสร้างบุญต่อ หลงังจากทําบุญกันถิ่แเราก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้ออฟฟิศที่ใหญ่ๆดีๆให้กิจการเจริญรุ่งเรืองอัศจรรย์มากครับเวลาผ่านไปแค่เดือนเดียวอยู่ๆก็มีคนโทรมาหาบอกขายตึก4คีคูหาห้าชั้นเขาบอกว่าเขาต้องการให้ขายให้เราโดยตรงไม่ขายใครในโลกโดยให้เราตั้งราคาเอง ให้ผู้ซื้อตั้งราคาเองนี้ก็สบายอย่างนี้นี่แสดงว่าเขาไม่เกี่ยงเขาอยากจะให้แต่เกรงว่าจะไม่รับเพราะนั้นก็เลยอ่ะให้ตั้งราคาเองแต่เราจึงตกลงซื้อในราคาคูหาวละหนึ่งล้านบาทจํานวนสี่โขหาท่ามกลางความงุนงงของคนญานนั้นเพราะว่านตึกแถวนั้นราคาขายคูหาและไม่ต่ากว่าสองล้านบาทเห็นไหมจ๊ะ แค่ซื้อแค่ครึ่งเดียวนั้นนี่และจะได้ออฟฟิศใหม่ผมก็ได้เป็นประธานอรองกะถินทุกปี<า>แล้วก็ได้กกรว่วมกับหลวงพ่อทุกบุญายางเต็มที่เต็มกำลังจนถึงปัจจุบันนีผมมีลูกสองคน ป, ปีสองห้าสองผมได้ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงเพราะก็ตั้งบริษัทพอดี ตั้งแต่ตั้งท้องลูกคนนี้ภริยาผมก็ได้เปิดบทสวดพระมหาสิริราชธัตถัฟังทุกวันใส่บาพระทุกเช้าช่วงที่คนเข้าใจวัดผิดภรรยาผมขนาดนั้นก็ท้องใน7เจ็ดดือนแต่ก็ยังมาอยู่ทุดดงปกป้องพระศาสน า, สาและก็ลูกษาคลอดหวันเพื่อนผมก็ยกธุรกิจเกี่ยวกับ stationary ให้ผมแบบฟรีฟร ตอนนั้นผมก็ยังงงงงอยู่ยกให้ฟรีฟรีตอนนี้ผมก็ยังงงงงอยู่ว่ามันเป็นอีหยังวา <c oughs> เมื่อลูกสาวุติประมาณสามขวบ <c oughs> ก็ได้รับบุญเป็นาสาสมัครท <c oughs> ารับหลวงพ่อในวันอาทิตย์ท <c oughs> ารับระดับโลกแล้วก็รับบุญพิเศษในการเผยแผ่ธรรมะออกทางดาวทำไปทั่วโลก เป็นภาษาบาลีง่ายนิดเดียวบ้างสีลห้าบ้างวันนี้วันพระบ้างแล้วก็ร้องเพลงธรรมะบ้างแต่ปัจจุบันลูกสาวอยยุได้เจ็ดขวบอยู่ช oh. ั้นป .2 คุณครูให้พูดหน้าชั้นว่าโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรเธ <Okay. S 1> อตอบว่าอุบาสิกาค่ะ oh. ครูถามว่าแล้วอุบาสิกานะทําหน้าที่อะไร พระครูวยังไม่รู้เลยเธอก็ตอบว่าช่วยงานวัดและบอกบุญช่วยงานวัดจัดหาทุน <c oughs> สซลูกชาปัจจุบันอายุได้สี่ขวบ <c oughs> ชอบศิลปวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ชาติไทยม <c oughs> ากเป็นคนรักประวัติศาสตร์ชาติไทยรักแผ่นดินอผองไทยเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะชอบดูโขนมากมากเลย <c oughs> นั่งดูได้สองสามชั่วโมงไม่มเบื่อเลย จะจำชื่อและลักษณะต่างๆของลิงยักษ์ในเรื่องรามเกียนได้หมดรู้เลยว่าทำไมพระราม <c oughs> ถึงเลือกเอาอย่างนี้ไปปราบยักษ์เพราะยักษ์มีหลายแขนหลายมือ <c oughs> มันต้องเอาที่ไวมาก <c oughs> ในระดับที่สิบหน้ายี่สิบมือจับมาอยู่จ <c oughs> ึงเลือกเอาลิง <c oughs> นี่นี่ใช้ปราบไม่รู้ในอะันนี้ไวเอง ตึงสิบนายี่สิบมือนี่จะเอาอะไรสู้ดีส่งยีราไปเลยมันก็บ่ใช่อะไรเลือกเอาลิงออในเรื่องรามเกียรจํ์จำได้หมดเลยอชอบประวัติพระเนรสวน์พระเจ้าตักสินแล้วยิ่งทศชาติชา ด, ดกชอบมากๆได้เฉพาะมโหสถบัณฑิตซึ่งมันตอนที่ออกเดึกๆขนาดไหนเขาก็จะรอดูให้ได้บางครั้งกลับหน้าจอดีมซไปเลยครับอตอนนี้เราก็ต้องเลื่อน โมโหสุดบัณฑิตออกไปก่อนอาจ๊ะคุณตาผมท่านได้ออกบวชตอนวัยชราต่อมาท่านป่วยเป็นอวมภาพตีขาเลยทั้งลาสิขาและเสียชีวิตในที่สุดคุณยายผมท่านมีลูกกับคุณตาทั้งหมดห้าคนแต่ลูกๆก็ทิ้งตายไปก่อนจนหมดเลยเหลือคุณยายคนเดียวที่มีอายุยืนถึงเก้าสบกปีแถมมีร่างกายที่แข็งแรงหูดีสติดี รับรู้เรื่องราวดีๆทุกอย่างกรณีหมูบ่บ้านเชี่ยวกุญยายมีผีชนิดหนึ่งทรงอยู่เรียกว่าผีหนังประกรำที่ม้าผีชนิดนี้มีอยู่ว่าบรรพบุรบุษของกุญยายมีอาชีพคล้องช้างป่ากจะไม่ต้องใช้เชือกที่ทาจากหนังวัวหนังควายเรียกว่าหนังประกรรมมาคล้องช้างเพราะมันเหนียวและทนก่อนที่จะขับปากคล้องช้างก็ต้องบวงสวงผีหนังประกรรม เจอกันว่าผีชนิดนี้จะไปทรงอยู่ในตัวคนและสืบทอดไปยังลูกหลานคนที่ถูกส่งตั้งราบวงสวงเส้นไหวในช่วงเทศกาลของทุกปีก่อนที่ยายจะเสียชีวิตนี่ท่านกบมีอาการฟ้อนราเหมือนที่เคยลํบวงสวงผีหนังประกมการตายของยายได้เกี่ยวโยงมาถึงน้องสาวของผมเพราะตอนที่ยายเสียชีวิตเป็นเวลาตีสาม ในเวลาไล่เรียกนั้นน้องสาวผมซึ่งนอนหลับอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพเธอเล่าว่าขณะนอนมีอการครึ่งหลับครึ่งตืน่นเห็นร่างสีดำใหญ่ลมทับร่างเธ อ, อและในความรู้สึกนั้นเธอได้คว้าเหรียญปราบมาหลวงปู่มาคล้องที่คอเงานั้นก็หายแว บ, บไปแสดงใครมีเหรียญแล้วก็รักษาไว้ดีนะนี่ตรึกแล้ลึกนึกถึงท่าน เวลาเหมือนเรานึกถึงคนที่เรารักนะนึกไปเรื่อยเลยแล้วก็ให้ภาวนาฤทธิ์ท่องคําที่ท่านชอบสัมมาหลังที่ท่านชอบพูดตลอดชีวิตของท่านเลยลนะ่ะตั้งแต่ได้มาเธอก็ไม่สบายมีอาการท้องอืดแน่นท้อง ร, รักษาอะไรก็ไม่หายหมอกหาสาเหตุไปพบมาเป็นเวลาสามปีแล้วครับ ปีนิการถี่และร็นแรงกว่าเดิมเธอมักจะรู้สึกถึงร่างดำๆใหญ่นั้นมาวนเวียนให้เห็นอยู่เสมอยังมีอีกเรื่องหนึ่งแปลกคือที่หลังบ้านงผมที่จังหวัดชัยภูมิอจังหวัดปติศาสตร์เนะ <Yeah. S 1> เป็นสวนมะม่วงนะมีสะนตร์นะ <Yeah. S 1> สมื่อกรณ์ทุกวันพระรจะมีคนเห็นดวงแก้ว ลอยอยู่บริเวณนั้นเสมอลูกสาวงนา้าปกติน้ะเป็นคนเรียบร้อยช่างพูดช่างคุยแต่จุๆ่ๆเธอก็เปลี่ยนไป <c oughs> เวลาพลบค่าก็จะปลีกตัวเป็นนั่งอยู่คนเดียวที่ลิมสระน้ำทุกวันเลยจ่เวลาพาไปสามสี่เดือนร่างกายก็ผอมโซคุณพ่อก็ต้องไปถามร่างทรง ร่างทมก็บอกว่าที่ตรงหลังบ้านเนะี่ยมีเจ้าที่ดูแลอยู่ mm hmm. เจ้าที่ก็นี้แหละ mm hmm. นี่เขาอยากแต่งงานกับเธอร่างทรงบอกว่าเจ้าที่ที่ดูแลอยู่ตรงนั้นอยากแต่งงานกับเธอ mm hmm. อยากได้เธอไปเป็นภรรยาแล้วร่างทมบอกต่ว่าให้สร้างศาล สร้างพระวิถีตรงนั้นและกใกล้กราบไหว้บูชาครับเพื่อจะแลกกับชีวิตของเธอไว้ทําใม้เธอตายแล้วมาเป็นวายาครับคุณพ่อผมก็ทำตามแต่เธอก็ไม่หายอยู่ดีะจระกกต้งเสียชีวิตเป็นที่สุดาอายุได้เพียง2ีาปีคำถามคุณพ่อมีการไรจยงสร้างฐานะร่ำรวยในตอนแรกแต่ต้าหลังถูกฟ้องร้องจนแทบหมดตัว และคุณแม่มีกรรมใดร่วมจริงต้องลาออกจากครูเพื่อเอาเงินไปช่วยคุณพ่อฟองร้องด้วย บ, บุพกั ร, รใดต่งคุณพ่อเดินขาไม่เท่ากันถูกพากระโหลกศีรษะและป่วยเป็นอัมพาตคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเสียชีวิตอย่างกะทันนันเพราะกรรมใด ท, ทั้งสองตายแล้วไปไหนแต่ละบรนทท่ที่ไปให้เลยไหมพากอะไรมาถึงลูกๆบ้างหรือไม่อย่างไรครับ แลท่านทั้งสองสร้างบบารมีกับบุคคนัมาอย่างไรคุณยายทาบุพกรรมใดามาท่านจึงอายุยืนท่านเปร่างทรงผีหนังประกรรมจริงหรือไม่ช่วงท้ายชีวิตทําไมดวงตาคุณยายจึงมองไม่เห็นคุณยายและคุณตาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ที่ไปให้หรือไม่ร่างเงาดําใหญ่ที่น้องสาวผมฝันในคืนที่คุณยายเสียชีวิตคืออะไรเกี่ยวข้องกับอาการปวดท้องเธอหรือไม่ครับ ความจริงคืออะไรจะแก้ไขาการปวดท้องได้อย่างไรครับโดนแก้ที่ลอยอยู่บริเวณสะน้าที่หลังบ้านผมคืออะไรครับเกี่ยวข้องกับลูกสาวน้าที่ตายหรือไม่ที่ล่างทรงบอกมิจาที่ต่างการเธอไปเป็นภรรยานั่นเป็นจริงหรือไม่และความจริงคืออะไรเธอตายแล้วเป็นไหนจะรับบุญที่อุทิ่ไปให้หรือไม่ที่ตั้งบ้านผมนี่น่ะเป็นทางผี ผ่านจริงหรือไม่ครับแต่จริงผมควรทำอย่างไการกับที่ตรงนั้นดีครับลูกษาวทำบุปกรรมใดมาจึงทำเขามีโอกาสได้รับบุญเผยแผ่ธรรมะผ่านช่องดีเอซตั้งแต่ยังเ ย, ยาวไว้และใดลูกชายงผมยึงชอบเรื่องปอิศาการนำศึกสงครามมากเขาเคยเป็นทหารเก่าหรือเปล่าครับลูกษาก็ลูกชายสร้างบ ร, รมีกระมูณะมันในรูปแบบใดมีนาทีมีนา ท, นาทีอะไรในกองทัพรม มีผลการปรยิบัติทำแน่ดีเป็นอย่างไรครับทําไมชีวิตใบต้นผมถึงลําบากครับแล้วทาไมชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายกคดีความตั้งแต่เกิดมาก็เจอไหวเรียนก็เจอไหวทํางานก็เจอเชื่อมบวชก็เจอจนถึงปัจจุ บ, บันก็ยังเจอ <c oughs> แล้วทาไมผมเจองไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับกฎหมายตามที่ได้เรียนมาครับ <c oughs> อ, อ๋อหนูเขาเรียนมาทําแทนอได้งไงล่ะ กรรมใดมาทำให้ผมไม่ได้บวชตลอดอยังมีหน้ามาถามเนอะมีเหตุผลที่สวยงามเกิดศึกามาเคลียร์นี่คำประกันเงินกู้ของเพื่อนอรู้นะ่บุปผกรรมใดตัวผมและภรรยาจริงต้องตกงานในช่วง i อ f ออ๋อเตรียมตัวจะรวยจชะ บุนได้ส่งผลให้รามีกิจการตนเองในช่วง IMF จนกระทั่งสร้างฐานะขึ้นมาได้อย่างดีผมมาลยาเคยสร้างประมีกบูคนามาลูในรูปแบบใดครับมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไร ม, มีนาทีอะไรในกองทัพทำครับจะได้กลับดูสิบุรีทั้งพ่อแม่ลูกไหมครับ <c oughs> จำเรื่อง ร, ราวํำถามได้ไหมจ๊ะ รบับตาฝ่ายเป็นตุมิตาตือนขึ้นมาเานึงทีแล้วก็นำมาลอยฟังเินิยายปา ร, รามรากันจ้าคุณพ่อสร้างฐานล่ำรวยในตอนแรกแต่ต้องมาถูกฟ้องร้องจนแทบหมดตัวพระแน่ดีเนี่ยท่านอาจจะทำบุญไม่ค่อยจะสม่ำเสมอและก็ทิ้งช่วงการทำบุญไปนาน ทำปีหยุดไปห้าปีอะไรอย่างนี้ยจึงทำให้ล่ำรวยช่วงระยะเวลาเดียวกี่กับกรรมที่เคยมีคู่เวรที่เคยทะละกันมาเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ถ, ถึงขั้นฟ้องร้องกันมาในอดีตได้มาเกิดเจอกันในชาตินี้ทำให้มีเหตุทได้ทะเลาะกันถึงขั้นฟ้องร้องวิบากกรรมดังกล่าวนามาส่งผลจ้า คุณแม่ต่างลาออกจากงารเป็นครูเพื่อนำเงินมาช่วยคุณพ่อฟ้องร้องด้วยเพราะในชาตินั้นคุณแม่กับเป็นภรรยาคุณพ่อได้สนับสนุน Więc. คุณพ่อฟ้องร้องคูค่กรณี น, นั้นเวนจึงผูกกันมาทําให้มีเหตุทั้งลา <c oughs> ออกจากการเป็นครูแล้วต้องนําเงินมาช่วยคุณพ่อฟ้องร้องคดีจ้จะกองเชียร์กองเชียร์สนับสนุนสนับสนุนคุณพ่อเดินขาไม่เท่ากัน ถูกพาตะกลโลสิสะและขาเป็นอมภภาพพระกรรมที่เคยเป็นล่ามโซตรวันฆ่าทาบริวารที่ทำผิดเพื่อเป็นการลงโทษกับกรรมที่เคยไปทุบหัวสัตว์เพื่อฆ่าทำเป็นอาหารและกับกรรมที่จ้างให้นักเลงเป็นดักตีหัวคู่อริด้วยบารวมกับกรรมมัดสัตว์ส่งขายารวมส่งผลจ้ะ คุณแม่เปิดมันว่าเร่งในเม็ดเลือดเสียชีวิตอย่างกะท่นนานนั่นพระกรรมปาณาติบาติฆาตสัตว์ธรรมหารหลายๆายชาติมารวมส่งผลชาติอะไรหลายๆครั้งนี่นแหละกับกรรมที่เคยไปกองทรัพย์ผู้อื่นมารวมส่งผลให้เป็นมะาเร่งในเม็ดเลือดถ้าเกี่ยวกับเรื่องเลือดก็จะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองทำมาเร่งจะบลวงกับกรรมปานาติบา ท่านทั้งสองตายแล้วคุณพ่อกลัไปอยู่จมโลกของมหาอนากขุมหกกรได้กรรมเล่นกามนันกําลังโดยเจ้าหน้าที่ยมโลกเอาอุปรกรณ์ที่ชอบสมัยจำเป็นมนุษย์ที่เคยเล่นกามนันหลากหลายแต่เป็นเหล็กร้อนนำมาคว้างใส่คุณพ่อที่อยู่ในหลุมมีความทุกข์ทรมานมากคว้างของที่ชอบแต่ว่ามันเป็นเหล็กร้อนทุกข์ทรมานมากแต่ละ บ, บนที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับรถย่อนบอทอดหรือมาจ้า ตอนนี้ท่านบอกอยากพ้นทุกข์จากตรงนี้มากเชื่อแล้วนี่บาปบุญกโทรมีจริงนรกมีจริงอยากพ้นทุกข์จากตรงนี้ให้ลูกทำบุญที่ไปให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะคุณแม่าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้ตอนทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างแต่ก็เบาบางจ้า ปัญญาเยอยืนเพราะท่านเคยทําบุญถวายคี่ลานาเบสัสกายพิสุทธสมเนรและเพื่อนบ้านบ่อยๆมารวมทรงผลใช่ใครอยากอายุยืนนะจ๊ะร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยใขล้ต้องถวายคีฬาณาเบสัสกายพิสุทธ์สมเนรหรืออุปกรณ์การแพทย์ซึ่งวันจันทร์นี้แหละเดี๋ยวครูปัญญาจะชวน<ด>ให้สร้างบุญอุปกรณ์การแพทย์ที่ เอาไปไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่จังหวัดสุพรรณบุรี<า>อนี่จะชวนทํานวันจันทร์ยังยังยังไม่รับวันนี้จ้ะอาวันจันทร์นี่แล้วทํากันให้เสร็จวันนั้นเลยดีกว่าเพราะาหลังจากนั้นเรายังมีงานบุญอื่นอีกเอาความแข็งแรงก่อนนะจ๊ะเขาก็เดือดก็เจ็บป่วยแทนเราอยู่ที่โรงพยาบาลรบเรามีอุปกรณ์ให้เขาไปดูแลแล้วเราก็ได้รับบุญแห่งความแข็งแรงมา วันจันทร์นะจ้าวันวันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาวันจันทร์วันจันทร์ทําให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวเลย ค, คุณยายจะเป็นร่างทรงผีหนังประกรรมจริงๆเลยจะ้า โ, โดยได้รับการสืบทอดทายาวิชานีม้มาจากบรรพบุรุษจ้าช่วงท้ายชีวิตดวงตาคุณยายมองไม่เห็นเพราะการรมนาดีและปัจจุบันท่านได้ขังสัตว์เช่นจับปลาหรือเต่าเอาไว้ในที่มืดโดยปิดฝาเพื่อเอาไว้ทําอาหารในวันต่อมา มารวมสงผลอย่าคุณตาคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาด้วยกันทั้งคู่โดยคุณตาเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่ในเมาวโบบ้าภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้บุญที่เคยบวชและบุญที่ทําตามประเพณีจ้าส่วนคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรด้บุญที่ทําตามปรเพณีรวมกับความเชื่อเกี่ยวกับการเป็นร่างสองผีหนังประการมจ้า อยู่กันคนละหมู่บ้านกับคุณตาเออตามเป็นมนุษย์ก็เป็นสามีภรรยายอยู่ครอ บ, บครัวเดียวกันแต่ตายแล้วไปอยู่กันคนละบ้านคนละหมู่บ้านท่านั้งสองก็ได้รับบุญที่ติไปให้แล้วก็ทอนนี้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะร่างเงาดําใหญ่ที่น้องสางรูปฝันเห็นในคืนคุณยาเสียชีวิตนั้นก็เป็นบรรพพระบุษรที่นับถือผีตายไปแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธร แล้วพยายามที่จะสืบต่อทางสายเลือดคือน้องสาวคนนี้ออใจน้องสาวคนนี้รับสืบทอดสายวิยญารนั่นนี้แต่ว่าน้องสาวมีบุญที่เคยทำหมูกม่กนะับหมู่คณะมานะ่กลั บ, บไม่มีกรรมเป็นร่างทรงจึงทำให้วิญญาณนั้นเข้าร่างน้องสาวไม่ได้จ้ะ เ, ออเข้าไม่ได้เมื่อเกี่ยวกับาการปวดท้องเธอ ส่วนการปวดท้องเธอนั้นเกิดจากความเครียดในปัจจุบันเพราะขาดวิตามินเอาขาดวิตามินเอ <c oughs> ย่างเดียวแล้วจ้ะ <c oughs> ก็เธอสั่งสมบุญทุทกบุญทุกตอนศีรษานาให้มากๆฝึกใจใ ห, หยุดนิ่งให้เขาถึงพระในตัวพอใจสบายเดี๋ยวก็หาย <c oughs> พอใจใส่เดี๋ยวสมบัติใหญ่ก็ไหลมา <c oughs> และเรื่องเงินกเงินทองก็จะหายไป <c oughs> <c oughs> ดวงแก้วที่ลายที่สะน้ำหลังบ้านนั่นก็คือคือรุกเทวาสายคนทันจ้ะนคนทันอยู่ที่ต้นไม้ซึ่งก็เป็นปกติของเขาที่ย้ายไปย้ายมาเนะี่ยตามวันเวลาหรือหน้าที่ของเขาเนะี่ยมีหน้าที่อยู่เวน้นวันนั้นวันนี้ตามที่หัวหน้าเขตสั่งก็จะเคลื่อนย้ายจากทิ้งตัวไป ดูแลหน้าที่โดยไม่ได้ตั้งใจให้ใครเห็นนะแต่ถ้าคนเห็นได้เพราะช่วงจังหวะใจละเอียดมารวมกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีๆสังสารอีสานนางมาถึงถ้งตาให้มีอายตนะเห็นในสิ่งเหล่านี้ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแต่ไม่เกี่ยวกับลูกสาวของน้าที่ตายจ้ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ร่างทรงบอกว่ามีเจ้าที่ต่างการเธอเป็นภรรยา น, นั้นก็มัวมัวมั ว, ม, วมัวเดอ้อ <c oughs> นี่ร่างทรงมัวเดอ้อ <c oughs> เธอตายแล้วตอนนี้ก็ไปเกิดใหม่เป็นคนแล้วจ้ะไม่อาจจะรับบุญได้กำในิดดีเธอเคยเลี้ยงสัตว์ขังกรงไว้ <c oughs> แล้วก็ตัวเองก็เดินทางไปต่างถิ่นเป็นระยะเวลานา น, านจนลืมให้อาหารมัน <c oughs> กรรมสุรามารวมกันส่งผลนี่ขังสัตว์ลืมให้อาหารารวมกับกรรมสุราส่งผลแล้วก็มาพร้อมกับลูกกระเทวาสายคุทันมาให้เห็นเป็นดวงสว่างพอดีจ้ะจึงทำให้คิดเป็นตุเป็นตะอะไรต่างๆนะบ้านทุกๆหลังเนี่ยก็มีกายละเอียดผ่านไปผ่านมาเป็นปกติแมท้ที่บ้านลูกตอนนี้กาลี ก, า ก, าก็กำลังผ่านมาผ่านไป หวานอยู่มีทุกหลังกันแหละ <c oughs> เรานอนแล้วก็เราค่อยๆลีตาแล้วลืมๆไปดูที่ฟ้าไปดานนะที่มุงเนะี่ดูดีนะค่อยๆคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าไปสนใจนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเห็นได้ <c oughs> ไม่ได้จะไปสนใจยังกลายเป็นความกังวนเงีเลยนะ <c oughs> ถ้าไปสนใจมันก็เป็นลมเป็นแล้ง แต่สนใจมันก็เป็นเรื่องเปลราวส่วนเรื่องสารก็ปล่อยให้มันผุพังไปตามกาลเวลาแล้วกันอย่าแพ้ความสนใจกับจนเกินไปสารนี่นะไม่จาเป็นเนี่ยอย่าไปอย่ามีสารเลยสารเ อ, อ้ยอย่าไปแล้วเชื่อฉันเถิดเพราะนั้นอย่าไปตั้งสารไว้เนะอย่ามีอย่าไป อลูกสาวได้รับบุญเผแผ่ธรรมะทางดีมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยพระในดีเธอเป็น <c oughs> เป็นกุลธิดาเนี่ยมาสร้างบา ร, รมีกนะับหมันนณะเราทิถามว่าขอยได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้ได้มีส่วนในการเผยแผ่ธรรมะและขอให้มีบุปการีที่ดีจ้ ะ, <c oughs> ะมีพ่อมีแม่ดีนี่ <c oughs> พาเข้าวัด <c oughs> ลูกชายชอบเรื่องประวัติศาสตร์การทำสงครามมากนั่งกับพระ เคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธนันทิพยมาจ้า อ, อุปนิสัยนี้ติดตัวมาจ้าต่อมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาบวชแล้วก็เป็นกําลังในการเผยแผ่ตลอดชีวิต <Correct. S 1> มีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงวัฒรรมการภายในเอา ต, ตัวรางกลับโดยสิบิริวมศ์พิเศษได้แล้วมาสร้างบรมีได้สองรอบเจ้าสร<า>วลูกสามเมื่พุทธนันทิพา์มาก็เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมีผลการปฏิบัติธรรมได้กราถึงดวงใสใส พอประคองตัวตัวเรากับดูศิวบุรีวมวิเศษได้จ้าเรามาสร้างบารมีสองรอบจ้าชีวิตไฟต้นของตัวลูกต้องลำบากและตั้งเกี่ยวข้งกับกฎหมายคดีความตั้งแต่เกิดวัยเรียนวัยทางานช่วงบวชจนถึงปัจจุบันพระในดีกรยมาเจอมูลคณนะได้มีความเชื่อในเรื่องความสําเร็จของชีวิตจะเกิดแค่ได้ตั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจึงทาให้ประมาทในการดําเนินชีวิต ไม่สั่งสมบุญทำให้กรรมตระณีได้ช่องส่งผลก่อนให้มีชีวิตลำบากในใบต้นรกรอบกับเมื่อมาเจอหมู่คณะแล้วได้สร้างบุญบก็ไม่ค่อยได้อธิษฐานเจ็ดล้อมกรอบให้ดีจ้ะจึงลำบากในใบต้นแต่ได้ดีเคยเป็นมาที่วินิจฉัยก็ดีแต่มาภายหลังก็เบื่อหน่ายจึงอธิษฐานว่า ขออยได้มาตัดสินคดีความนี้อีกเลย เ, เขากลัวจะมีวิบากกรรมติดตัวมาแต่ก็ยังมีเศษวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินคดีความ เ, เศษผังนี้จึงติดมาให้อยู่ในวงจรกฎหมายนี้ถึงแต่กเกิดจนปัจจุบันนี้และที่ไม่ได้มาทำหนาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพราะอธิษฐานจิตมาดังกล่าวรวมกับเบือนายสุดขีดในปัจจุบันอย่างตัวลูกนัาไม่ได้บวชตลอดต้องลาสิกขาออกมาเคลีย นี่ที่คำปร a, <g Tail> ะกันเงินกู้เพราะรู้อยู่เดี๋ยวนอนไม่หลับเอา <c oughs> มีผังบวชช่ x, ชวคลาว <c oughs> กลับมีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องคดีความนังกล่าวมาส่งผลแจ้ง <c oughs> ไม่เกี่ยวแต่ทเทพธิดาเขาเอี่ยวด้วย <c oughs> ตัวลูกและพยาต้องตกงานในช่วง IMF เพราะ กัในในด็ตัวลูกและพยาได้เป็นสามีภรรยากันก่อนอเป็นสามีภรรยากันเหมือนชาติเนี่ย <c oughs> ก่อนที่จะมาเจอหบทคณะทั้งสองกนก็มีความเชื่อมเหือนกันเลย <c oughs> ว่าชีวิตจะสําเร็จได้ก็ต้องหนึ่งแค่หนึ่งสมองสองมือเท่านั้นบุญบิลไม่ต้องไปทําำลอกจึงประมาทมันก็ได้ทําบุญด้วยกันทั้งคู่ <c oughs> แต่ต่อมาที่สร้างกิจการเของตัวเองได้ในช่วงเดียวกันจนมีฐานะขึ้นมาเพราะภายหลังในชาตินั้น เมื่อเจอหมู่คณะแล้วก็ตั้งใจสร้างบุญคือประมาทช่วงแรกเพราะไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตแต่พอมาเจอหมู่คณะเข้าใจก็สร้างบุญกับบุญที่ทาในปัจจุบันกับหมู่คณะที่ตามมาส่งผลจึงทําให้ได้ช่องทางมาแห่งทรัพย์เจ้ตัวลูกและภรรยาเคยสร้างบรมีกับห ม, มู่คณะมาพุทธอรที่ผ่านมาจะเป็นน้ำหมายกับพระราชาองค์ที่ออกบวชอภิญากับเป็นบริยังตัวลูกด้วยทั้งสองได้เป็นกองเสบียงสนับสนุนหมู่คณะเจ้ ตัวลูกไปผลการปฏิบัติทํามเห็นดวงใสใสตัวรากกลับดูสิบุรีได้เรามาสร้างบารมีได้สองรอบจ้ะส่วนพระยาลูกไปผลการปฏิบัติธรรได้ก็ถึงดวงใสใสตัวรากกลับดุสิบุรีได้แต่เรามาสร้างบารมีสองรอบจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติปุสิบุรีวงมามิเตศเ ข, เขตบุล ม, มพลสัตจะได้พัดกันเลยจ้ะสาธุ ีจะเป็นเรื่องราวของแคสต์ ด, ดีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้